สู่ความรุงเรืองทั่วกันดำคูมต้นโตสู่แดดผลไม่หวั่นออกดอกช่อนั้นแบ่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัาน จากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมนอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสัทธา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 นาะยกรัมตีนี่ก็ยังไม่ได้สั่งเบรกการใช้วัคซีนสูตรผสมไขนะยต่างยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็ให้ฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการทางการแพทย์ก่อนนะครับนะในส่วนของโคศกนะก็บอกอย่างงั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีนะไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเข้ามามีการระบาดรุนแรงนะเป็นปัญหานะจากทั่วโลกเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี เราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะโคศกก็บอกว่าเขาให้นะทุกส่ว น, น ไ, ด ไ, ดได้เอาข้อเท็จจริงมาพูดมาคุยกันนะซึ่งนะตรงนี้นต้องดนะูดูตามว่าในส่วนของคณะกรรมการการแพทย์นะจะว่าอย่างไรนะครับนะซึ่งในวันเดียวกันนี้นะครับในวันที่14รกรกฎาคมแพทย์จริงนะพิสมัยศรีรังสรรพูดช่วย ผู้สกของสอบคแถลงบอกว่าเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,000 คนนะฮะในวันที่14 9 3ี่คนเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 9,180 นแมาจากระบบเฝ้าระวังระบบบริการ 7,000 กว่าคนการค้นเชิงลุกกว่าประมาณ 2,000 และจากเรือนจำอีก129รายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศนี่แหละครับผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ ของเราอยู่ที่3 6ม0สนหายรายแล้วนะครับก็ถือว่าสูงนะครับ้างที่จะสูงพอสมควรนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องดูนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระว่ังรักษาอยู่ประมาณ 90,000 กว่าหลาย9 9 5ห5ารายมีอาการหนักอยู่ 3,200 ัรายใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่800 28ลายนะแล้วก็ในวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตก็87ลายแล้วนะครับนะส่วนใหญ่ก็อยู่แถวกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะเป็นหลักเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ก็ถือว่าสถานการณ์ในค่อนข้างที่จะเครียดตึงมือเหมือนกันคงจะต้องอาศัยการเร่งแก้ไขจากหลายฝ่ายนะครับและตอน น, นี้เราบอกว่าแพทย์ยิงพสมัยบอกว่ายอด ฉีดวัคซีนสะ ส, สมของเราประมาณ13ล้านโดสครับ13ล้าน2 0สน 30,000 โดสนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อะก็ฉีดไปแล้วนี่ก็ต้องเร่งฉีดนะพยายามที่จะมีการตั้งเป้าหมายว่าประมาณจะต้องฉีดประมาณนะเกือบ100ล้านโดสแห้ะครับใ ห, ให้ถึงสิ้นปีเพื่อที่จะครอบคุมให้ได้นะประชากรประมาณ 70% ก็ต้องติดตามดูนะครับนะ ซึ่งว่าตอนนี้นี่จะจะเร่งฉีดวัคซีนนะครับนะกันกันเต็มที่เลยทีเดียวแต่ว่ายังไรก็แล้วแต่นี่ก็ต้องหาวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามาด้วยนะครับนะถึงจะสามารถที่จะป้องกันไวรัสโควิดเดลต้าได้เหมือนกันและนอกจากนี้นี่ในส่วนของรองโฆษกสอ บ, บอคนะครับบอกว่ า, าเตือนหจังหวัดให้ระวังสูงสุดนะครับนะ คือ10จังหวัดนีมีเพื่อผู้ติดเชื้อสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครปรทุมธานีนนทบุรีชาเชิงเซานาคนปรปฐมปัตตานีนาราธิวาสนะครับซึ่งตรงนี้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะครับแต่ว่าก็มีอยู่6จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกินร้อยลายนะซึ่งต้องระวังะครับได้แก่ชนบุรีโคราช เชิงเซามหาสารคามสีสะเกตและราชบุรีก็อยู่ในภาคอีสานถึง3จังหวัดแล้วครับมีโคราชมีมหาสารคามมีสีสะเกตอาจจะมาจากในส่วนของแรงงานที่กลับจากพื้นที่สีแดงแล่ะครับกลับไปไปบ้านแคมป์คนงานบ้างอะไรต่างๆบ้างเพราะว่ามีการปิดแคมป์คนงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่คงจะต้องในส่วนของแต่และจังหวัดนี่ก็ต้องมีการ เฝ้าระวางังอย่างเข้มข้นแหะครับเพราะส่วนใหญ่ในที่มีการระบาดกันก็คือกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมักจะไม่กักตัว14วันนะครับยังไปร่วมงานบุญงานกุศลหรือมีงานสังสรรค์อะไรต่างๆไปร่วมก็เกิดการระบาดตรงนี้นี่คงจะต้องต้องดูนะครับนะว่าว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเือก็ต้องพยายามที่จะ แก้ไขกันล่ะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ละส่วนนะครับตอนนี้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเร่งหาวัคซีนนะครับที่จะใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะต้านไวรัสนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์นครเปลมศรีผู้มีการสถาบันวัคซีนวัคซีนแห่งชาติก็บอกว่ามีการประชุมคณะกรรมาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่3ผ่านระบบออนไลน์ ก็มีมตนะิที่จะใ้มีการจัดหาวัคซีนโควิด -19 สำหรับประชาชนนะครับนะก็อีกประมาณ120ล้านโดสนะโดยการจัดหาวัคซีนนะโดยเฉพาะเน้นไปใน mRNA ซึ่งเป็นวัคซีนที่เรารู้จักกันนะโดยใช้เทคโนโลยี mRNA ก็คือ p ฟ i ซอร์กับ m มเด r n a เนี่ยแหละครับนะที่จะมีประสิทธิภาพในการ ต้านไวรัสสายพันธ์เดลต้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แต่นอกจากนี้ก็ยังมียี่ห้ออื่นอีกนะครับนะอย่างเช่นไวรัสแบคเตอร์นะแล้วอาจจะมีอื่นๆ อ, อีกนะครับแล้วก็มีหลายๆยี่ห้อล่ะครับนะที่ที่ที่เขาผลิตกันขึ้นมาแต่ที่เรารู้จักกันก็มีอยู่ส อ, สอยี่ห้อนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เร่งจัดหาให้ได้นะภายในปีนี้นะประมาก็ประมาณร้อยล้านโดสไวอย่างนั้น คงจะต้องดูแหะครับนะเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนไหวใ น, ในส่วนของผู้นํานี่อาจจะต้องไปไปเจรจาโดยตรงนะครับกับกับประธานบริษัทนะครับนะเพราะาหลายหลายประเทศนี่ผู้นำนี่เขาไปเจรจากันโดยตรงอย่างเช่นนายกเวียดนามไปเจรจากับประธาน r ริษัทเฟเซอร์ก็เจรจากันหลายรอบใช้เวลาประมาณ1เดือนก็ได้มา1น่งล้านโดดเหมือนกันนะครับนะก็เขาก็ส่งให้เหมือนกันเพราะตรงนี้นี่คงจะต้อง อาศัยการเจราจาบางครั้งนี่มีการแลกเปลี่ยนนะวัคซีนอย่างเช่นในส่วนของญี่ปุ่นนี้ยืมวัคซีนของอิสราเอลไปของไฟเซอร์เนี่ยไปฉีดก่อนนะครับแล้วจะใช้ทีหลังอย่างนี้นะครั บ, นะรบมีการยืมกันระหว่างประเทศก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องจะต้องดูและนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวในหลายๆส่วนมารับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 ความธามมเจดีเป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อมีมนเรียนชนะจนขึ้นขอสวมเลตพันล้านที่ขอมือขวา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 ส, สัมพุทชิตาจะสัจจานิ ชิตาสภะโส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 ปากใจ so so, ให้วัดตะโกแผลบุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านถูกฟันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทําเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความโศดทานัที่ยังหลงบป ขอรวยโปรดช่วยนํทางครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะที่ กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับนะมีการประชุมการวัคซีนเนี่ยนะครับในวันที่14บสี่เนี่ยในแพทย์นครเปรมศรีผู้มีการสถาบันวัคซีนยังเปิดเผยว่าที่ประชุมวัคซีนการวัคซีนจะมีการพิจารณาร่างประกาศของกระทรวงน ะ, ะเพื่อที่จ ะ, ะในภายใต้พลบบความมั่นคงทางด้านวัคซีนแห่งชาตินะครับก็จะมีการ ประกาศที่จะให้กำหนดนะสัด ส, ส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดนะนะครับโควิด -19 นี่แหละครับคือนะมีการควบคุมในการส่งออกนะครับนะส่งออกนอกราชอาณาจัาจากรเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะทําให้นะวัคซีนที่ผลิตโดยโรงงานในประเทศของเราเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะเอามาใช้ฉีดให้กับประชาชนภายในประเทศได้ไดไดทั่วถึง นะก็บอกว่าจะมีการประกาศให้มีผลในการที่จะอเอาวัคซีนที่ผลิตได้เนี่ยเอามาฉีดให้กับคนในประเทศก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีบางบริษัทบางโรงงานเนี่ยบางครั้งต้องรับผลิตวัคซีนแล้วต้องส่งออกไปนะต่างประเทศต่างเงื่อนไขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้ น, นี่ตรงนี้นี่ก็บอกว่าจะมีการแจ้งผู้ผลิตนะนะให้มีการจัดสรรวัคซีนเนี่ยเอามา ฉีดให้กับคนในประเทศนะโดยจะเสนอแนวทางในการจัดสรรให้อยู่ประมาณหนึ่งใน3ของกําลังการผลิตนะครับก็ให้มาฉีดให้กับประชาชนโดยทั่วไปก่อนเพราะฉะนั้นีนตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับนะว่าเราวัคซีนนี่ก็น่าจะมีการพอเพียงหรือไม่นี่คงจะต้องดูเหมือนกันนะครับนะว่าว่าจะดําเนินการกันอย่างไร ในส่วนของราชวิทยาลายัยจุฬาพรออ ก, กประกาศผ่าน Facebook วันที่14บสกรกฎาคมบอกว่าขณะนี้ราชวิไลยยังไม่มีนโยาบายที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2ต่างชนิดกันนะก็คือยังยังจะฉีดชนิดเดียวกันไปก่อนนะครับในส่วนของราชวิไลยัยจุฬาพรเนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินนะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่ก็จะ ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง2เข็มตามที่บริษัทผู้ผิดได้รับอนุญาตนะครับพอเช่นในตรงนี้ในส่วนของราชวิไลัยนี้ก็คงจะฉีดวัคซีนยี่ห้อเดียวกันนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ยังเปิดให้จองวัคซีนซิโนฟาร์มต่อเนื่องนะครับนะเป็นการเปิดเผยของศาสตราจารย์ในแพทย์นิติมหานนเดชาธิการราชวิไลัยจุฬาพรณ์ นะครับนะบอกว่าก็ก็ยังฉีดยี่ห้อเดียวกันไปก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็แล้วแต่นะครับนะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยจะจะเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะฉนะนั้นก็แล้วแต่โรงพยาบาลเหมือนกันในการที่จะพิจารณานะครับนะพิจารณาว่าจะฉีดไข้หรือว่าจะฉีดยี่ห้อเดียวกันในส่วนของอุบลราชธานีเนี่ยโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ประสงค์นะก็บอกว่ามี การฉีดไขว่ไขว่ ย, ยี่ห้อกันนะครับในส่วนของอุบลกนะครับก็คือฉีดเข็มแรกนี้ซีโนแวคส่วนเข็มที่สองก็จะเป็นเอสตาร n เซ a ิก้าก็แล้วแต่นะครับในส่วนของแต่ละโรงพยาบาลนี่อาจาจะจะมีนโยบายที่ไม่เหมือนกันก็คงจะต้องดูนโยบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ต้อง ก็ต้องดูแลครับในส่วนนี้เพราะว่าตรงนี้นี่ก็เราก็มีการทั้งมีการฉีดยี่ห้อเดียวกันหรือว่าฉีดไข้แต่ว่าก็คงจะต้องอาศัยการศึกษาวิจัยอีกระยะหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยนายกอบศักด์ฟูตะกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพก็บอกว่าตอนนี้ เศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มไม่ขยายตัวเพราะได้รับผลกระทบจากโควิดสิเนี่แหะครับยังระบาดหนักเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูตอนนี้ก็คือเราจะต้องดูว่าตอนนี้เศรษฐกิจรัฐเนี่ยจะต้องพยายามที่จะมาเร่งเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวก็บอกว่าเศรษฐกิจของไทยจะกลับมาฟื้นตัวก็ ต้องพึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะเพราะว่าเราเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าประเทศอื่นโดยรายได้จากนักท่องเที่ยวคิดเป็นสัสดส่วนถึงร้ละสิต่อ GDP นะเพราะฉะนั้นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่มากนะนักท่องเที่ยวในประเทศนี่ประมาณร้ยละเท่านั้นเองแล้วก็การจ้างงานในอุตสาหการรมท่องเที่ยวนี่มีมากถึงมากกว่า10บล้านคนนะครับนะ จ้างคนงานกันมากเพราะฉะนั้นนี่นายกอบศักดิ์ฟูตะกูลรองผู้จัดาการใหญ่ธนาคารกรุงเทพซึ่งก็เป็นนักธนาคารนี่ก็บอกว่าเราคงจะต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวให้ได้มาฟื้นตัวเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นมุมมองของในส่วนของนักธุรกิจนะครับคงจะต้องดูนะครับเพราะัฐก็จะเร่งอยู่พยายามที่จะทําภูเก็ตแซนบ็อกแล้วก็ ในหลายๆพื้นที่นะในเกาะอื่นๆแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยก็คงจะต้องดูวา่าจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่นะครับจะกระตุ้นกันได้หรือไม่ก็คงจะต้องติดตามดูก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงไทยของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลด ล, ละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนานต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ คาาืนวนันผ่านผ่านยังซึงในดวงใจฉันจำได้ดีคืนที่ฉันเจ็บป่วยกายได้ส่งสารไปเป็นคนไข้อนาถาในความเลือนลางฉันเห็นนางกล่าวมา ในมือถื อ, อยาดวงน้ามีความห่วงใยมาจับมาคลาไม่รังเกียจกลิ่นไอฉันลูกชาวไรเป็นคนไข้จนจนในความมืดมีดดวงจิตปวดร้า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 สีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกไมาา้จากราใจคนจนรับคำอวยพรที่บ่สนเลกน่กลนให้เธอสุขโลนบนถนนสีขาว